มันอยู่ในช่วเอื้อมนี่นิดเดียวเพราะกาจับภูขอทองเหมือนกันตันึงหวงพ่ท่านจุงแล้วเดินปับ๊บปั๊บพระท่านเพราะท่านปล่อยมือตอนนั้นนึกว่าแล้วก็ไม่เจออย่างนีที่นีนะเรื่องนั้นเพราะง น, น, น, นั้นเวลาฟังเทศมันจึงเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งงเทศว่าฟังเทศนี่ต้องหมายถึงเทศของท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนะ ไม่ใช่เทศแบบสุจีภาพมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเทศสุจีภาพว่ากันมันก็ไม่ได้เรื่องแต่เทศภาพปฏิบัติด้วยความรู้จริงเห็นจริงของผู้เทศแล้วผู้ฟังนี่มันโอมันกล่อมจริงเราไม่ยอมรับร้อยเอร์เซ็นเพ่าะแม่คุณอาจารย์มั่นเทศถึงถงอมหูสูงมากนี่เหมือนหูยมแม่ไม่ยอมฟังเทศใครเลยนะ ไม่ถึงใจค <c oughs> วาม่อบุ่จานเถิดแล้วไม่เสียงเริ่กังวานด้วยนะทีแรกเหมือนกรถเริ่มออกนั่นแหละไปเอืยเอวเสียงก็ไม่ดังค่อยแล้วขยับเรืเ่อยเป็นต้งท่านเองแหละอสี่สอร์เซ็นขึ้นไปแล้วอานนาทีนะโอ้โหแต่ยิ่งนานมาตั้งหรายยิ่น เสียงทำงานกูหเหมือนคนทะเลาะกันตึงตึงตตึงเลยนะแต่ท่านมีรู้หัวใจเหมือนดาวเท่นั้นแล้วบิด ม, ม, ม, ม, มาตั้งกับไม่ได้บ่นไม่ว่างา่ายเงียบไปเนี่แล้วตั้งกับล้มนอนแล้วก็มีพระนวดเสน้นถวายท่านที่มีใครจะเวลาพอท่ า, านเ่ศจบลงกราบพร้อมกันกราบแล้วใครจะตาไปตั้ก น, นกับล้มนอนหนึหน่ระก็นวดเสน้นถวายทกูที่เคยนวดนั่นแนหละนวดท่าน กูไม่เคยนวดในเรื่องผมนี่ไม่ได้เรื่อ ง, ถ, องถูกสาบพอละผมก็เต้นจังหวะนี่าบถูกสาบด้วยนวดเต้นเข้าใกล้เต้นไม่ได้ไมากเองถ้ามาผมไม่ถูกกันฉันวางเลยม่ควจะนวดเต้นจังหวนะ ช่างนะผมมันก็ค่าสูงใหญ่ไม่ใว่าทันไม่ได้นวมดมนมีต่มหนุ่มเกินนอย่างอื่นก็ทั้งไม่ได้ทำเนียอะไรแต่เรื่อหนวดเปนน็นได้ โอ้เหมือนกับ้าขาวดาวสว่างไปหมดเป็นหนึ่งว่าบางทีตั้ง3วันมันเหมือนกับว่าโลกกระทำไม่มีอำนาจทำมันแต่ว่ามันก็อยู่ในอำนาจจิตของเรานีอีกอย่างเหมกันไอ้จิตมันมันเงียบท่องมันเงีนบดี คพรจะปฏิัตนิสัยใหม่นั่นเองมาพฏกบัดหน้าที่การงานพากหิบัตนิสัยใหม่นิสัยเก่ามเป็นอย่างนีิสันกิเลสมันขวางทำ ม, ม, มาฝฏกหัตนิสัยหม่ ใช้มันชาบเ้าะมคงไม่ใช่มายามวนคูใครมนคูปูณมากขึ้นอีกด้วยสองวันมานี้ไห้บอกอยูใครมวนคูว่างั้นนะปูนมากขึ้นอีดนอนนอกดนนะนก้นอย่างหลังไม่ใช่โยมแม่มวนแล้วโยมแม่เนียปเลยผมได้อันออกมืกัดปลาป รามกันวันที่งค่อยดีงวะนี้ังหวะนี้อ้วหนาวกลับมาหีมากเลยแปลว่าคนอื่นทำมนแต่ไม่ได้บอกกันครับอาการเป็นไงอพอหนาฮะสงบนะคลายสงบ ข้าก็สงบางันเหรอแต่ยังไม่สงบหรเป็นคืนเดียวเป็นคืนเดียวเนไงคืนนั้น่ะคืนเป็นเป็นไงอ่ากลัวอะไรอะไรใหญ่ขึ้น นั่นที่เราเป็นบ้าอยู่แ้วนั่นแหละแล้วภาวนาไมได้ภาวนานะให้เป็นบ้าอยู่ว่าใหญ่เล็กกระชั่งวันนี้ไปยุ่งมันอาการของจิตเนี่ยเรื่งวันหลังพอวันหลังออกมาไม่ไม่ไม่ไมีอะไรนะฮะเงาะเห้อคนยังดื้อกันอ่ะ มันจะใหญ่รวมจะใหญ่ถ้าภูเขากับมภูเขาที่ให้อยุ่ความรู้นั่นอ่ะเขาเดี๋ยมันก็สงบกลวงมาเข้ามาเข้ามาเองเล็กเข้ามาเล็กเข้ามาแล้วหายเนี่ยไปผมเคยเป็นแล้วเหล่านั้น น, น, นี่พานถึงเดียวภูเขาอ่ามันจะเป็นบ้าแล้วนี่ะกวางมันจะคุกเงาแล้วผมไม่ไมนเป็นงั่นนะคือคอืไม่ได้ไปหลงนันมันจะเป็นอะไไม่สนใจนะี่ แล้วจิตของเรามันแน่นปังมบนภูเขาเน่ยตอนนั้นตัวมันใหญ่ใหญ่ออกขยายออกขยายออกจิตก็กำลัดลงตรงนี้ไม่ไม่จะปล่อยมันจะใหญ่ตัวขนาดไหนก็ตามไม่ไปยึดไม่ยักกับมันหรอไม่ไปเกี่ยวข้องกับความใหญ่โตไม่ส่งไปให้อยู่กับความรู้อย่างนั้นถ้ามึงบริกรรมก็บริกรรมองนั้นมันมีลักษณะที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นขึ้นขึ้นข้นภูเขาเนี่ยกายเราเนึ่ย อ่ะอ้ําไปงานกระช่างไม่ปล่อยเนี่ยหลักใหญ่คือจิตนี่ไม่ปล่อยตรงนี้เพราะนี่ตอนนั้นจิตมันก็เลยแน่นปังเลยนะแน่นเหมือนภูเขาเรื่อยนะตัวร่างกายเราเหมือนภูเขามันมันมีลักษณะเป็นอย่างนั้นแต่พูดแล้วก็ไม่ถูกกันมันขยายตัวใหญ่ๆมันเข้าภูเขานก็ร่างกายเราเนี่ยแต่จิตไม่ถอยมันไม่มันไม่ไปเคลื่อนไปตามอาการย์นั้นมันฝังตรวงมันอยู่ในความลู้เนี่ยเด่นอยูนี่ แล้วก็จิดเลยกลายเป็นเหมือนภูเขาเลยไม่นานก็อเรื่องนั้นมาค่อยอืค่อยอยุก ย, ยาวข้นมายยาวข้นมายยาวขึ้นมาเราก็ไม่สนใจอีกกลับตรงนี้อยู่คือตรงจิดนี้่จนกระทา่งเข้ามาเต็มที่หาย่าการนั้นหายก็ตายหาแล้วก็เหลือแต่จิดรู้ธรรมดาอาการนั้นไม่มี เดีจะวไปดึงมันด้วยเวลามันเป็นมาแล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอีกเราจะไปหมายสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วอย่างนี้นไม่ได้ลนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราพิจารณาอย่างนันทุกอย่างนั้นจับเงื่อนนีน้ไว้นี่แหละต้นเพตุงานของเราที่ให้เป็นอย่างนั้นหรื ย, ยิ่งกว่านั้นอีกคืองานนี่ไม่ปล่อย เป็นขึ้นมาอย่างนั้นแต่ ว, วันนี้ภาวนาอยากให้เป็นอย่างนั้นจิตไปแยบไปเหมือนเป็นหมายนั่นเสียมันไม่ได้เข้าวงปัจจุบันมันก็ไม่เป็นอันนี้ก็เป็นมาแล้วเพราะยังจิงยึดเตือนหมู่เพื่อนถึงได้เคยเป็นปมาแล้วเตือนเตือ น, น, นบอกว่าให้รู้ไม่ให้เสียเวลาเพราะความผิดนั่นเป็นครูสําหรับเราแล้วก็กลายมาเป็นคําสอนหมู่เพื่อนนีกเพราะอะไรตรงแนบไปเลยเดือนี้ที่มันหนี หินมันพุ่งพุ่งอนี้นมันเหมือนอะไรเขาเรียกไฟดอกหรืออะไรที่เขาจุดอทั้งภาษาทไทยทางเราไฟพเนียงกันอะมันพุ่มพุ่งพุ่งก่อนแล้วเขาเรียกอะไรไฟดอกหรืออะไรพุ่งพุ่งเนี่ยพังนานกันหมดเละแล้วมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยความสว่างนะมันพุ่มขึ้นมาพุ่งขนมาเราลองตามดูแเราลองตามเฉยนี่มันจะเป็นยังไงความสว่างนี่ การธรรมดาเราเราไม่จะไม่ตามเนีลยตามปกติเราไม่เคยตามอะไรง่ายๆเนี่ยมันก็พุ่งไปเงาุ่งลองตามดูเขาตามพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้พุ่งโอ้โวินู่นอ่ะขึ้นเมฆเลยนะพุ่งพุ่งโอ้เป็นอย่างนี้เองเนี่ยเอาทีนี้เหรอืมาให้มันตายทีนี้ค่อยถอยจิตลงถอยจิตลงถอยจิตลงพอถอยจิตลงมาอันนั้นก็ลดลงลดลงลดลงหน่อยเราทันกลนของมันเนี่ เราลองถอยจิตจนกระทั่งจิตนี่คือคือที่แรกจริตมันส่งไปตามเนี่ยทีนี้พอถอยจิตลงมาย้อนจิตลงมาย้อนจิตมาอันนั้นก็หดลงมาหดลงมาก็ต้องจิตลงมาสู่ตัวตัวเดิมอันนั้นก็หายเนี้ยไปไ น, นี่ก็รู้มั้งนี่เ็ไแม่ห้างผม้นหนึ่ง ท, ที่นั่งก่อนนายน้องขือเนี่ย ไอ้ น, นี้กายมันไหวม่รู้ตัวนะหมาโดดกำ น, น, นดงมันพอจิตมันใส่มันตัมมองเห็นหมาหมาคงปอกเลยมันก็ตั้งหมา่อไปเพนันงรดูมันมาหมาเป็นคนงานนี้ หมาด้วยทำไมหมา ด, ด่ดนผงหมาจะมากัดเรานะเพราะกัดเราเนี่ยเราพลิกตัวนี้พับไอหมากระโดดผ่านมันไอเราพลิกตัวปั๊บเนี่ยกายไหวอ่ะให้จิตเลยถอนขึ้นมาโอ้มันบ้าเนี่ยบ่ายอขอวุ่นบ้าไน <c oughs> ั่งอ่งนี้นะเท่าไงกายไหวอย่างนี้เลยเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋วพิกตัวปับ๊บหมาโดดมาใส่นี้ปับ๊บหมาเลยผ่านปุ๊บนะเราพลิกตัวปับ๊บมันเหมือนน่องมวยมันหลบหมักนั่นเองอะ แต่มันไหวนี่กายตอนนั้นไหวนุมยังไม่ลืมกายไหวไประจัขนขนาดกินถอน พิจารณาเนี่ยน่าจะพิจารณากายนอกก็ได้การพิจารณานะอสุภะอสุภังเทียบเพื่อแใจสงบยันหนีจากนี้นะทาให้ดีกายนอกกายในไม่ว่าแต่ให้เป็นการพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนยาพิจารณาพิจารณายาหาแต่ความสบายอยากแค่จิตสงบอยู่เฉยควรพิจารณาให้พิจารณา ยิ่งมีความสงบบ้างพอเป็นปากเป็นทางแล้วนั่นแหละให้พึ่งทันปัญญาไปด้วยนะมันจะมีความแยบคายแตต่างกันมากนะกับสมาธินะถ้ามันไม่ทางปัญญาเข้าไม่มาแทบยไม่มาแทบมสมาธิก็มีรถมีชาติตดติดได้พอเรื่องของปัญญาออกแล้วนี่ผลมันต่างกันและเียกัอการ พี่กันมันก็เพิินสิความมันถึงขั้นเพลินอยู่ที่สอยากให้เพื่ันได้รู้ได้เห็นว่าให้แต่กิเลสยียบตลอดเวลาแล้วมอยกมือไหว้มัน ต, อ, <c ười> นตอไปที่ไหนเห็นแต่้าะเนยกมือไหวู้ิเลสพวกเราก็เบื่อแล้วมาาันจะตายกิเลสมันยกมือไหว้พ้านเนรนันยังไม่เห็น มองไปอนเห็นแหมอปล่านว่ากิเลกเออุกขันยิน่งกิเลสมันหมอกัดปลอกปลอกผิวอ่ะทำต้องงานเนยมันไม่ไมีหว่างข่ามั น, มนเปลี่ยนกายมันจรินอน่งนะ้นะลแต่กิเลกมันหมอบ เราการไม่ดีอย่างหนึ่งมันไม่ไม่ไม่มีที่สำคัญตนเพราะกับเรื่องปัญญานี่แหละไม่ไว้ใจเอาจนกระทั่งทำให้จะให้งงก็มีแต่แต่มันไม่ถอยไม่เอาอยู่นั่นน่ะเรถ้ามันมันพอมันจริงมันแล้วไม่เห็นมีใครบอกรมันก็ไม่สนใจจะถามใครนี่วะแม่ ฟังเจ็บมันพอถงงึงขั้นจริงของมันแล้วไม่มีใครบอกมันก็ไม่สนใจจะถามานี่นะมันแน่เลยแน่เลยมันถึงว่าทันทิติโก้ด้วยห้างแน่ใลตัวเองแน่นตัวเองอเทพไม่ต้องอาะนไะด้ไหรลกะคุูครูื่มากไปแล้วเน้่ยอาจทำไมเอ๊ การเทะกันนี่อาถอดมาไงอีกล่ะมาให้ยุ่งอีกแล้วเนี่ยนึนใจ่ไที่ใครถอนมาให้ยุ่งอีกนเมีกันไหนจะมาให้ยุ่งอีกมันจะถอดไปเทลายนั่งที่ผ่านไปแล้วมั น, รรม น, นทั้งสามสิบกามได้หรือมือที่ตวจเสร็จแล้วไปแล้วเน่ะ